สำหรับวันนี้ก็พูดเรื่องจาระคาณิตติตามเดิมทีนี้หากินอย่างเดียวพอเอาเงเที่ยวอะไรอย่างไรอย่างก็พอพอไหมเขาก่อนอะไรละ่ะจำหมดแล้วเขาก่อนอะไรจำได้หมดแล้วเที่ยนี้จาะคาณิตติ เดียด้ยวยหน้าออมาก็าหมดอีกแล้วเพื่อจะคำสิอย่างเดียวเนี่ยถึงไม่ผ่านได้แต่เราเี้ยอไม่ดีนะ่ต้องอมตะขาดมา้าตัวที่หนามากอันท่ว่าอย่างยิ่งการที่พระพุทธเจ้าให้เจริญ ร, รมฐานก็หมดรู้ลงให้ใจเ้าออกฤทธิ์ธรรมนานเพื่อให้เปพื่อให้เป็นฌานสมายด้วยความชิน ถ้าเราขงเราชิงอยู่นะได้พระบุตรเวลาจะตายจิตก็มาถึงกุศลใช่ไหมทำไม่ได้ใ น, นจิตนั้นก็เอาบุศลอย่างใดยังหนึงเข้านั่นหมายงงมา <c oughs> ทาี่ลงนรกทั้งแม้วจะทำบุญไดมากเพียงใดก็ตามอย่าพะนางมณีกาเกิดมาชาตินี้ชานั้นนะทำบุญมากที่สุดเลี้ยงพนาังในสาขา เพราะว่าสามารถถวายอธิสถานได้คำอธิษฐานนี่ใช่เป็นมากพระพุทธเจ้าตรัสว่าพระพุทธเจ้าอคหนึ่งจะมีคนถวายได้คนเดียวครั้งเดียวแต่คนหน้าทามันต้องเป็นผู้หญิงไม่ใช่ผู้ชายที่แสดงว่าผู้หญิงเก่งผู้ชายนะจะไม่ดีนะความจริงใครเก่งขใครผู้หญิงเก่งทําบุญผู้ชายเก่งกินเหล้า แสดง่าผู้ชายเก่งกว่าผู้หญิงก็ร้อนไป้หญิผู้ชายไม่ร้อนนรกเมืองย์มนร้อนไม่มร้อ น, น, อ น, น, อ น, น, อนใช่ไหมแต่บังเอิญขนาที่อ่าตายจิตเศร้าหมองนิดเดียวเครื่องแต่งกายทั้งหมดรูปร่างหน้าตาทั้งหมดเป็นนางฟ้าแต่เท้าไปแยกระดกแค่ตาตมชั่วงเจ็ดวันน้ำเจ็วันมนุษย์นั่นจิตเศร้าหมอง <c oughs> ในการที่พะระเจ้าทรงแน้นำวจารณกรรมฐานจิตเป็นสมาธิก็เพราะว่าจิตจะได้ชินกับความดีนม่คือคําบวนาและพิจารณาได้การนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นต้นถ้า แ, แค่นึกถึงพระพุทธเจ้าอย่างเดียวก็ไม่ลงมาลกแล้วในการภาวนาขบรนดาจันพุทธบริษัท ต, ต, ต้องถือว่าเป็นของสําคัญการภาวนาต้องไม่เลือกเวลา เวลานั่งก็ได้นอนก็ได้ยิงก็ได้เดินก็ได้พิจารณาก็เหมือนกันแต่ส <c oughs> ําหรับปัญญายึดบ้างด้วยอารมณสติอารสตินี้ไม่ต้องไม่ต้องภาวนานะไม่ต้อไปพิจารณาจาข้าวสินลังจากข้าวสินมังไม่ต้องไม่ต้องอย่างนั้นนะคานึกจะเห็ว่าในข้ามละใดที่เราเห็นคนก็ดีใส่สก็ดีมีความทุกข์ เห็นแค่แล้วเราก็มีความรู้สึกว่าถ้าไม่เกินวิสัยที่เราจะพึงช่วยได้เราจะช่วยถ้าหากว่าเวลานั้นเราไม่สามารถจะช่วยได้จิตเราก็ที่จะช่วยอยู่อย่างนี้ทะเรียกว่าจาคามติกรรมาฐานคําว่าอัตติระะตรกรรมนึกถึงถ้าเรนเนตตามนึกถึงอย่างนี้อารมณ์เป็นอกุศลหาว่าท่านจะตายเวลาใดก็ตาม ถ้าเลิกพึงบอนอุ่นภูมใดไม่ได้มันได้กพึงอารมณ์นี้เข้าจะไปสวรรค์ทันทีนมีไหมเท้าแก่มีก็อยู่แค่สวรรค์ไม่ต้องไปนิพพานนะไม่ ไ, ไปนิพพานแต่เกจ่าคาลุนติตัวเดียวไปนิพพานได้นะจะเห็นว่าคนที่อยู่ในจาคาลุนติลงมาฐานได้ก็ต้องมีพรหมีหามสี่ประจันใจ ถ้ามีหาน4ถ้ามีารมอย่างอ่อนก็ไปสวรรค์ถ้ามีารมอย่างกลางก็ไปพุมโลกถ้าอย่างกลางถ้ามีารมสูงสุดก็ไปนิพพานเนื่องสูงการในการปฏิบัติความดีทั้งหมดยี่ที่พมมีหานสี่อ 1. ้มหนึ่งตาความรักสกองกมาความโศสารสามุลกตาจิตอ่อนโยนไม่ฉาดิสยาใคร เห็ในไขได้ดีพอยินดีด้วยสี่เลยขาวางเฉยต้งสีร่รายการนี้ที่เลยผมยางสี่คำว่าพรหมใต้ประเสริฐพิหา ร, ปรเปลีนกันอยู่อยู่อย่างประเสริฐใช่ไหมถ้าเรารักเขาเขาก็รักเราไมนะ่แน่นักี่เรารักเขาก็ด่าเรา <c oughs> ออพี่ใช่ไหมเราตะโกนถือไม่ใ่ธรรมดา ข, ของชาวโล ก, ลโลก ท, ที่พระเจ้าตรงสถาบมติลงเกียรติโต คนที่ไม่ถูกสิ็นทาเลยไม่มีโลกต้องถือตามนี้นะถ้าเราเกิดมาในโลกนี้แต่เราไม่ถูกเป็นทาก็สวยเันทีคนไหนถูกเป็นทามากคนนั้นเฮงมากเฮ hey. คนไหนถูกเป็นทาน้อยมันเฮง น, น้อยคนไหนไม่ถูกเป็นทาเลยมันสวยที่สุดผูม้มโหสถเจา้าถูกเป็นทามากที่สุดอย่างพวกเราเราที่เขาเทามนเบื้องหลัง พระเจ้ า, า, าด่ขาขึานา้นมาเลยนะนเอมากยินเป็นพระเจ้าได้อย่างที่ท่านพาพระสประหว่างเรนาม น, นานาบรรพชั้นเราจะทชื่ต่อกันบรรดาพวกเบญสิทธทั้งหลายก็ตามไปด้วยพระพักตร์ที่ไหนเข้าพักใกล้ๆตอนเช้าพระบริณฑบาตเขาก็ตามบิณฑบาตด้วยพอไดใช่ไหมอาศัยกิน แต่ว่าพรตกกลางคืนปรากฏว่าบรรดาพระเงียบแต่าถีไม่เงียบคุยเอะวนวายไม่เหมือนเม่อกี้แล้วเมื่อกี้เขาคุยดีไม่ได้ด <c oughs> ไะทะเลาะ ก, กันนะนีวอาจารย์ใหญ่คิดว่าพระนี้ไปจึงย่อ ง, ขอ ง, ของเข้าไปดู <c oughs> เห็นสมเด็จพระองคุณรูริรุจ้านอนเฉยเฉยอยู่ท่ า, า, นนททากลางท่าวสีหาใสยญาติอยูท่าทามกลางแข้งขวา ถ้ากันนอนล็ไกในองค์หลงหเงียบสงสัดมาดูรู้สิกที่เป็นในกลมบ้างกายกันบ้าน้ำลายไหลบ้า ง, มาาางไม่เป็นระเบียบแทนที่แกจะชมพระเจ้ า, าดีกลับปินทาพระเจ้าตลอดคืนนะแม่ลุงนะเลี้ยหลานที่เป็นตัวรองจัด ส, สรรเสิญพระมัาตนตรัพระเจ้าเป็นต้นตลอดคืนเหมือนกัน เพระเพื่อนชาวพระเป็นบิระบาทชาวบ้านก็ล่าใฟังว่าเมือคืนนี้เดชทีด่าพระพุทธเจ้าด่าพระธรรมด่าพระสงฆ์สําหรับหลานชายสรรเสริญพระเจ้าพระธรรมประสงค์เมื่อฉันข้าวเสร็จพระเจ้าประสงค์เรียกประชุมเพื่อการบ้าพิเกเวดูก่อนนิสิตตุนที่ตุทั้งหลายนินทาบัลสองสาข์ขี้ยาินทาจะสรรเสริญของธรรมดาของชาวโลกคนที่ไม่ถูกนินทาเลยไม่มีในโลก ให้คนตัวไหนถูกส่งเสริญเลยก็มีเมนนิโรเหมือนกันแต่ว่าพวกเราทั้งหลายก็จะไม่ดีเพราะคําทุศเสริญ จ, จะไม่ช่วยเพราะคำพินทาถ้าเราเป็นคนดีคำพินทาเพียงใดก็ตามเราจะไม่เลวไปด้วยถ้าเราเลวคำทเสรญเท่าไหรเราก็ไม่ดีไปด้วยเราจะดีหรือเราจะเลวอยู่ที่เราคือปฏิบัติพราะว่าเจ้าทรงเทศเย่อแค่นี้ป ร, รากฏว่าบรรดาพระท่านหลายพระมักผลเลยมาก ไม่ได้เกิดนะนี่ก็โดนความว่าวันนี้เราคุยเรื่องอนุสติขอให้ทุกคนตามนึกถึงความดีจุดหนึ่งคือจารคานุสติกรรมฐานคิดว่าเราจะให้คําว่าให้ในหมายหมายต้องมั่ครับว่าต้องให้มีมากให้มากมีน้อยให้น้อยอย่างนี้มันก็ไม่ถูกเวลาจะให้ต้องรู้เสียก่อนว่าเร า, เราจะเดือดร้อนไหมถ้าเราไม่เดือดร้อนเราจรึงให้ ถ้าเราเดืดร้อนถ้าให้แล้วเราเดืดร้อนเราก็ไม่ให้ถ้าถามว่าจะจะขาดผมอยากสี่ไหมต้องตอบไม่ขาดเพราะเราไม่ขโมยของของใครเวลาไม่ให้งงแล้วเราต้องไม่เดืดร้อนถ้าเดืดร้อนจิตใจเราซ้ำมองจะขาดถามว่าเวลาพบญาติคนจะให้คำมี้ผานําบากแต่เราดีไม่พอที่จะเปิ่ให้เราไม่ให้จะขาดจะขาดเราตีคำถามไหมก็ตอบตอบว่าไม่ขาด ถ้าไม่จาคาเป็นอาจาคารุติอารมณ์ขใจนึกว่าอยากจะสงเคราะห์นึกว่าอยากจะให้แต่รู้ว่าเมื่อมีจาคามิตรมรดายเกิดขึ้นอารมณ์ก็เป็นโรุศนเมืม่ออรมณ์ไปรุศนแล้วถ้าทานวัต ถ, ถุธาตุัตถุก็รามีแล้วก็สามารถจะให้ได้นั่นนทานกักรอมีถ้าจจะเรียว่าจาคามิตรมรดานจะมีได้ว่าเป็นมิหารสี่ ถ้าพร ม, มีหารสินมีแล้วท่านก็สามารถให้ได้ท่านวมีสามารถให้ได้แล้วก็สามารถรักษา ส, าสินได้ได้ไม่ตแก่คนที่มีพรมีหารสินครบถ้วนสินไม่ขาดแต่เราอาจจะขาดจากสิน <laughs> ไอ้เดียวสินถ้าไม่เคยขาดแต่สินพระจสินห้าสินแปดสินสิบสินสองร้อยี่สิเจ็ดสินสามร้อเอ็ดเขาท่านยังอยู่ครบยังมีในพระไตวปิฎกแต่เราอาจจะขาดจากสินนะยังคนพูดมากสองคนเมื่อกี้่ไม่แน่นะครับไม่ขายเกิอบเกืบขาดเลยตอนนี้ในเม่เรามีจารคันเต็งเอาถันมีพระแม่ตาลุณาก็มีสินด้วย เขาไม่ตายคนาสองตัวไปได้เกิดสินถ้ามีความรักมีความสงสารเราก็ฆ่าเขาไม่ได้ทำร้ายเขาไม่ได้รักขโมยเขาไม่ได้นั่งใจไม่ได้พูดปดไม่ได้กินเหล้าไม่ได้ตัวความมาสิ้นห้าลงสงตัวในเมื่อสิ้นห้าลงตัวจิตก็มีความเยือยเย็นมีสมาธิเมื่อในเมื่อม เ, เยือยเย็นมีสมาธิปัญญาก็เกิด เกิดตรงไหนเกิดจะดดจงท้รรดาญาติโยมพระริฆสัตว์มาวันนี้ทุกคนที่มาวันนี้มีปัญญาทุกคนที่จะเรียกว่าปัญญาบารมีถ้าไม่มีปัญญาบารมีทะทานก็ให้ไม่ได้สิ่งก็รักษาไม่ได้เมื่อปัญญาเกิดปัญญาอย่างอ่อนคิดว่าก็คิดถาอว่า อ, อนิจจังสุขังนนัตตา ว่าโลกทั้งโลกคนกระดีใส่กระดีเต็มไปด้วยอนิจจังไม่เที่ยงไม่มีการทรงตัวเกิดขึ้นแล้วก็มีความแก่มีความป่วยไข้ไม่สบายมีการพัดพลาจากของรักขอเจ็บใจมีความตายในที่สุดทุกขงัง้นเมื่อมันเป็นอนัตตาอย่างมันไม่เป็นอนาาอิจจังอย่างนี้ผมไม่เที่ยงแบบนี้ถ้าปัญญาเราน้อยไปคิดว่ามันเที่ยง คิดว่าร่างกายแล้วต้องไม่แก่บางทีแก่แล้วคิดว่าแก่ยังไม่มากแก่มากขึ้นยังไม่ควรจะตายอันนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิคําว่ามิจฉาทิฏฐินี่แปลว่ามีความเห็นผิดนี่ถ้าเรามีปัญญาจริงๆแล้วต้องยอมรับว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเป็นของไม่เที่ยงในเมื่อได้ว่าใหม่ใหม่มันใหม่แต่วใหม่ก็ต้องเก่าทุกวัน ทดโซมไปทุกวนันี่สุดก็สลายตัวเรื อ, อนัตตาคิดคิดไว้ยันนี้เสมอเหมออารมณ์ก็สบายใจคิดเป็นสุขใช่ไหมนี่เป็วนวิปัสสนาญาณปัญญานะโม้ปัญญาจริงๆแล้วควรจะใช่ในอริยสัตว์เอาทุกตัวเดียวเป็นเหตุเป็นแับนั้เป็นผลนะถามว่าผลมีแล้ว เ, เหตุมาจากไหนเหตุมาจากความเกิด เธอร่างกายเธอเป็นเรื่องสำคัญถ้าถเอร่างกายนี้ได้ใหญ่มากที่พระพุทธเจ้าสมเด็จการ่าพายาะไวายะเทินจ่ายโยตยาสนใจในรูปคือการจะไปนิพพานได้หรือไม่ได้อยู่ที่รูปตัวเดียวคือส ก, กายจติติใช่ไหมถ้าบอกว่าส ก, กายจติติญาโยมเลิกไม่ออกพระพุทธเจ้าสรเว่าเธอจง ย, ยาสนใจในรูป นอรมาหมายความขึ้นเช่อรูปทั้งหมดจะเป็นรูปคนก็ดีรูปใสก็ดีรูปกระถุ่นท่ายก็ดีมันต้องสลายตัวเป็นนทีสดุดเพียงแค่นี้ตั้งระยะไปนิพันธ์งั้นถ้าธรรมีจะทำนี่เป็นฐานมี่เป็นหยางสี่เป็นเมืม่นฐานทาํทาำเรื่อยไปไมันบกพร่องบ้างดีบา้ า, บ า, งางไหาบ้างทําได้บ้างเถอะบ้างก็เป็ของท่านบรรดาแต่ว้าแม้เล็กขึ้นมาเมื่อบ่อยๆ อ, อารมณ์ันก็ชินทิ่อยากจะสงเคราะห์ คนอยากส่งพระสัตว์อยากส่งพระพระอารมณ์อยากมีอยู่แต่ว่าบังเอิญไม่มีสตังใช่ไหมให้ไม่ได้ให้ไม่ได้พอ ใ, ใช้ได้คืออารมณ์อยากจะให้มีอยู่เขาถืออารมณ์เป็นสำคัญยังไม่ใช่ถือเป็นทานอรมีอันนี้ไปสวรรค์ได้ทั้นั้นเวลาที่มีวัตถุกใาขึ้นมาแล้วให้เราให้จริงๆให้ตัดขาดเลยไม่หวังผลตอบแทน อย่างที่ท่านจะไหลให้กับสุนัขอย่างสุนัขมันหิวเราจะอาหารสุนัขเราจะคิดว่าสุนัขต้องหาอาหารมาให้เราไหมเพราะไม่มีใช่ไหมเราไม่คิดตอบ ต, ตังตอแทนแบบนั้นเจชื่อว่าปจารค่าตัวสงศส์อย่างที่บรรดาจำพุทธวัดถวายทานนั่ถวายสงฆทานก็ ไ, นไม่คิดว่าพระจะต้องเอาสตังมาให้เรามั่งถวายปล่อยเลยเราหวังไม่พาน อย่างนี้เป็นการเป็นจ่าค่าตัวสูงสุดเป็นปรมาทบรมีถ้ามีจ่าค่าเป็นตัวสูงสุดแบบนี้การคิดจะให้แล้วก็ให้แล้วไม่เสียดายเพื่อต่อไปหลังอย่างนี้เราเก็มีความเบาใจความเศร้าหมองใจก็สลายตัวในที่สุดเข้ามาก็นนกถึงร่างกายตัวเองว่าร่างกายเรามีสักวันหนึ่งข้างหน้ามันก็ต้องตายเราจะเสียดายไหม เราก็ต้องไปนั่งเล่นเพื่อคนว่าที่เขาตายแล้วเขาใช้ร่างกายเป็นประโยชน์ทรืเปล่าไม่มีใครกลับมาใช้ร่างกายร่างกายเราก็น่าถ้าเราไปไหนเราไม่ได้อยู่ที่ร่างกายร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่พวกเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราร่างกายเป็ น, นเพียงธาตุสี่คือธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟเข้ามาสมกันเราคือจิตเพื่อที่ศมานกายภาษานัองเสือที่ว่าจิต แม่ร่างกายตายจิตก็ไปหาพบหาชาติเกิดใหม่ถ้าเราฉลาดก็จะมีความรู้สึกโลกนี้เต็มไปด้วยความทุกข์หนึ่งแย่ไม่จังเป็นของไม่เที่ยงสอง ท, งทุกขังทุกขังทุกสิ่งทุกอย่างเป็นทุกข์สารตาสลายตัวในที่สุดเดังนั้นความเที่ยงแท้แน่นอนไม่มีถ้ามีทุกอย่างนี้เราไม่ต้องการมันอีกเราต้องการจุดเดียวคือนิพานเพียงแค่นี้แหละ ไอ้ี่ตกเครืองบินอย่างเขาไปในายก็มีนะไม่ใช่ตกเคองบินเปรืงินตกใช่ไหมทียพระหาพระพูดผิดถ้าจะถามว่าม่นจะเป็นพระอรหันต์ในบรรานรได้ยังไงก็จะขอตอบว่ามันเป็นตรงนั้นแหล ะ, ะ ต, ต, ต, ตอนที่เครื่องบินเกิดปฏิเหตุไฟติดที่ปี เครื่องคงเครงใช่ไหมเม่อีก้กระแสะไฟนันก็บอกเหตุอันตรายเกิดขึ้นยันนี้จิตคิดว่าตายแน่ตายแน่ตายแน่าแนภาวนาก็ตายด้วยภาวนาก็ตายนี่ที่บังเอิญบางคนถ้าเขาเคยตึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์อยู่จิตก็คิดว่าถ้าเราตายเราไม่ขอไปนิพพานเขาไม่หัวงร่างกายเพียแท่นี้ไปนิพพานทันทีนะ ยกตัวอย่างให้ดูกับคนก็ะดายงานจารักษาเนี่ยแม้เคบินไปบ่เคยเคยบินตกกระจายไม่ได้ตกด้วยข้างในอากาศจะไปผ่านได้ก็วันว่าการจะเป็นภาวนาของดาณจักรพุทธบริษัทเป็นจะต้องทําการกระบาดรู้ลมหายใจเข้าออกการภาวนาร่วมด้วยเป็นการฝึกจิตให้ทรงตัวแต่ว่าอย่าขึ้ร่างกายเกินไปทําแค่พอสบาย ขณะที่ภาวนาไปด้วยรู้ลมหายใจเขาออกด้วยถ้าจิตฟุ้งซ่านมากเกินไปแล้วก็หยุดเสียถ้าเสก่อนหยับฝืนเมื่อใจสบายก็เริ่มทำใหม่ที่วิชัยก็เลิกไปเลยหาวิธิฟังบ้างดูโทรทัศน์บ้างคุยบ้างตามาทับใจทำไปบร น, นละิดวันหน่อยไม่ช้าก็มากเพื่อการสะสมตัวเอง ให้ทำในน้อยมีผลใหญ่นี่พระพุทธเจ้าตัดไว้ในประศูนยเลยที่ใช้ภาษาไทยว่าเศรษฐีตีนแมวอยากจะฟังไหมฟังไหมสิทธาตังทั้งหมดที่เอาเงนมารวมกันให้ได้สิทตาตังอาจารย์ตาล่าให้ฟังแต่บาริท่านชื่อว่ิลาละทัตตะเศรษฐี พิลาละปาทะกะไอปะทกะเลยแปลเท้าหรือตีนให้ให้ทราบว่าเศถีต่นแล้วเพราะว่าวันหนึ่งพระเจ้าทรงเทพอยู่ที่เชตะวันเหมือนกันมาวันก็เชตะวันนะวันนี้ก็ยังอยู่เฉทตะวันพระใสสวยลมนี้เฉทตะวันเหมือนกันตอนนี้ท่าบนบอกว่าบุคคลบางคนชอบทําบนด้วยตนเอง แต่ไม่ชักชวนคนอื่นเมื่อตายจากความเป็นคนแล้วเปเกิดเป็นคนในชาติใหม่จะมีทรัพย์สมบัติมากแต่ขาดบริวารในสมบัติคือขาดพวกค้องบางคนไม่ยอมบอกบอกบุญแก่คนอื่นแต่ว่าตนเองไม่ทำเมื่อตายจากความเป็นคนจะมีพวกมากแต่ขาดทรัพย์สินด้วยคนจนบางคนชักทำบุญ ด, ด้วยตนเองด้วย ชอบชักชวนผู้อื่นทำบุญด้วยเมื่อตายจากความเป็นคนได้เกิดเป็นคนใหม่จะเป็นคนร่ารวยด้วยได้ดมีพวกมากด้วยบางคนหรือบางประเภทไม่ชอบทําบุญด้วยตนเองด้วยและไม่ชักชวนคนอื่นด้วยตายจากความเป็นคนแล้วไม่มีพวกตัวเองพระยากจนต้องกินเด้งของคนอื่นที่เรียกว่าขอทานใช่ไมนี่ใ น, นเมื่อพระจ้าเทศจบทพระเทศแค่เนี้ย ไม่พูดมากอย่างฉันนะถ้าบางตอนนั้นพูดมากกว่านะญาเทพนัดจนนนะมาหันเลยบางตอนเพราะบางคนท่านพูดมากบางคนท่านพูดน้อยเ <c oughs> มือ่อท่านพูดเพียงแค่นี้ก็ปรากฏว่าเมือ่อเทต ก, ก็มีผู้ชายคนหนึ่งเข้าไปดินบนพระเจ้าวันพุ่งนี้พระเจ้าเขาจะขอถาวายไทยกระประสงค์ทั้งหมดนีพระองค์เป็นประธาน พระเจ้าบอกว่าพระสงฆ์ทั้งหมดมีห้าร้อยองค์นะแต่เขาบอกขอยอมรับห้าร้อยกว่าห้าร้อยพระเจ้าก็าสงรับเมื่อแกออกมาจากวิหารได้บอกบุญด้วยมาแล้กวก็เอ้ไปเอ้ขยันบุนบ้าง น, นัลน้อมรุ่ง่ขาเจ้าจะทําทานจะถวายทานพระเจ้าจะหลายจะหลายทางไปสงห้าร้ยรูปมีพระเจ้าเป็นประธาน ใครจรับสักกี่องรับเป็นองค์ก็ได้รับหรือไม่รับปรไปจำไกก็ได้ตามชอบใจแต่ของที่ธรรมะไม่ใช่แก่มาไม่ใช่ต่างคนต่างแขกเอาของมารวมกันที่ตองเป็นกองกลางแล้วก็เอามาทำร่วมกันจะเป็นม่อขึ้นมาเป็นอาหารอย่างเดียวกันไหว้พระแต่ว่าเมือเบาปุโรหน่ารายของสถีสถีขายของเนาะแกก็มาโหยไอนี่ไม่รู้จักว่าหมายรุ่ตัว มันน่าจะมีมนพระเฉพาะที่มันจะเป็นธรรได้นี่มันทะโกนชาวบ้านเขานี่มันเลดเข้าละเขาไม่ได้แกก็ตั้งจำใจให้ใช้นิ้มือสามนิ้วไงนี่มันจะให้ไหวนะใช้ที่นี่อนนี้หยิบข้อสารอ้าฉันทําบุญด้วยหยิบถั่วเอ้าฉันทําบุญด้วยจยิบนาที่สามฉันทำบุญด้วยจยิบตตัน มันเหมือนตินแมวท่านเลยให้น้าว่าสถีตินแมวพอให้เไปแล้วมันรุ่งขึ้นก็ส่งคนไปว่าจงไปสังเกตไอ้เจ้าคนนั้นมันเป็นทาหราือล้มเหลวนี่กว่าจนเรียเขาบอกบุญไปแล้วบางคนก็รับมากบางคน ร, รับไม่ของมาลงเนยเขาก็ทำ อ, า, อ, อาหารแต่ของเขาทุกๆคนที่ให้มาม า, ม า, มากๆแต่เขารวมทําทีเดียว แล้หมายความแกอ ง, ในในในองอย่ันใดยังต้มยันใดเขาทำตะเกี ย, ยงเขาตามนั่งรวมแล้ ว, ว, ลวทพร้อมกันหมดแต่ของท่ามหาเศรษฐีที่เขาวางไปต่างหากยังไม่ลงก่อนเพระมัมากเกินไปนะ <c oughs> แต่ว่าพอของอื่นทั้งหมดสุกเขาหยิบของมหาเศรษฐีมาใส่อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ใส่ทุกทุกหมอ้อรวมหมดคนใช้หีืใช่ไปแล้วก็กบอกเขาว่าเขาทําอย่างนั้น วันถึงเวลาที่เขาจะเลี้ยงถวายทานกับพระสงค์เศรษฐีไปเองพกกลิ่ไปถ้าคิดว่าถ้าบังเอิญมันมีทาเราเราจะฆ่ามาที่หน้าประตูนี้ที่เราขี้เหนียวใช่ไหยเมื่องถวายทานเสร็จก็ต้องถวายทานเสร็จแล้วก็อธิษฐานตอนหลังว่าบุคคลที่ร่วมทานทั้งหมดทำมูลมากก็าตามน้อยกว่าตามขอทุกคนจะมีความสุขสมัยกันนะชาตินี้นะชาตินา เขาไม่มีธาตุสติสถีก็ตกใจที่เราคิดค่าเขาที่เราบาปเราชว่วยเสร็จแล้วใช่ไหมพระพุทธเจ้าให้พร้อมเสร็จเขาออกมาเขายังไม่ทันจะออกสถีก็เข้าไปกราบที่เท้าเขาเขาเขาก็ตกใจถามวาเรื่องอะไรแกไล่าให้ฟังอวัจิตก็ไมให้ดูเพราะวันนี้ฉันเนี่ยมาแทงแกถ้าแกเนี่ยทาฉันเห็นไหมเอาสองคนนี้ก็ระวัง ถึงไม่เป็นทายก็ตามเล่าสู่กฟังก็ใช้ไม่ได้นะก็เป็นว่าเขาพูดอ่างตามก็ที่เขาทำบุญได้นอกก็โมโหที่นายคนนั้นไม่ดุจไม่จับเป็นไมายสาตกลงในความจริงก็ให้มาคนนั้นก็ได้ในเวลานั้นที่ตรงนั้นเป็นตอหน้าพระพุทธเจ้าพระเจ้าสังเกตว่าทีเกิดดูก่อนวิสุทธังไรท่านพูกตอนนั้นเขาที่พูนั้นเขากว่ารพาอยู่ใกล้ ชาวบ้านนั่งอยู่ไกลป่าจะบอกบุคคลที่ทำบุญก็ตามทำบ่ายก็ตามทำน้อยก็ตามทำมากก็ตามย่อมได้บุญเหมือนกันแต่ว่าสำหรับปริมาณอาจจะน้อยไปหน่อยนะเขาไม่มีมานใหญ่เรามีมีมันเล็กเิงปเป็นต้นท่านเปลี่ยนได้ว่าว่าน้ำฝนที่ตกบทิทยาธยาสามารถทำะะไทัจนไร่เต็มได้ชั้นใด การทําบุญแม้แต่ขั้นเล็กแน้อยเมื่อทำบ่อยๆก็สามารถทําบารมีเต็มได้ช่นนั้ น, น, นเห็นไหมนี่บรรดาญาจงผูง้ปฏิสุขท่านก็เช่นเดียวกันถ้ามีใจควา ม, มนึกคิดคถานอยู่เสมออันดับแรกก็คิดวาจะให้แต่ภายนอกสละภายนอกต่อมาแต่มามาคิดจะให้ขึ้นมาบา่อยๆจิตเป็นมุขสนเป็นสมาธิเพราะเมตตาความรักกุณาความสงสารมันเหตุ ยิ่งไปกว่าที่เห็นให้มสิงขึ้นมาเพราะสิงมืขึ้นสมาธิก็เกิดอารมณ์ก็เยิดเหตดปัญญาก็เกิดไม่ที่สุดคือพิษไม่สละแต่วัตถุสลละแม้แต่ร่างกายจะไปจะให้ใครนะสลละก็คิดว่าทิดว่าร่างกายที่มันไม่ดีมันเป็นทุกข์ไม่ที่สุดมันก็พังถ้าชาตินี้มันตายก็ขอตายชาติเดียวชาตินี้เป็นชาติสุดท้าย เป็นชื่ออกระไกลเกิดใหม่เป็นมนุษย์ก็ดีเป็นเดวดานางฟ้ากด็ดีเป็นพกด็ดีไม่มีสําหรับเราเพราะไม่ทนทุกข์เราต้องการจุดเดียวคือนิพพานถ้าอรมณ์มันทรงอย่างนี้เสมอถ้าอย่าตายเมื่อรนิพพานมาถึงเมื่อนั้นใ่เมื่อถึงนิพพานแนล้วต้องจบกันไม่จบไม่ได้ไมาเลยไปไม่ได้ เ, เวลาก็หมดต่อที่ไปพ้ได้แต่พุทธวิญัาณถึงหตั้งใจสมาทานชิ น, มนม่มาทํากรรมฐานอนี้คอก็ไม่ดีนะ มันจะไป่้มอะไรก็ยังไม่รู้เลยยังไม่ถ่าย